โลกคือมือสั์ไม่เคยอยู่เรื่ความสะดวกสบายโดยไม่มีเครื่องบังคับต้องมีเครื่องบังคับอยู่ตลอดไม่ว่ามนุษย์สัตว์โดยสานสัตว์น้ำสัตว์หมมีเครื่องบังคับให้ต้องเครื่อนไหวเคลื่อนไหวไปมาเราแสงหาสิ่งนั้นสิ่งนี้จัดทากันอยู่ไม่หยุดไม่ถอย ทั้งวันทั้งคืนดินเดินนั่งนอนมีตั้งแต่เรื่องความจําเป็นบังคับมีทั้งผู้ตามหลักแห่งความจําเป็นนอกจากนั้นสิ่งไม่จําเป็นก็กลายเป็นสิ่งจําเป็นขึ้นมาเป็นเครื่องบังคับสลับซับซ้อนอยุ่งเหยิงวุ่นวายภายในหัวใจตลอดร่างกายยิ่งเป็นเครื่องมือใช้จน ถ, ถึงกับ กำลังไม่พอกับความต้องการและความสับสนเหล่านั้นที่ถือหัวใจเป็นที่ทำงานนม้เป็นที่เป็นเครื่องหมุนเพื่อความต้องการของตนมีโลกเป็นอย่างนี้ด้วยกันทั้งนั้นเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์เดาจะอยู่ประเทศใดทวีบใด ท่าชั้นบรรณใดในป่าในบ้านในเมืองนอกเมืองมีแต่ความหมุนติ้วอยู่ด้วยหน้าที่การงานเพราะเรื่องทาสเรื่องขันเป็นสาคัญเรื่องหนึ่งที่บางคับให้ต้องทํางานแล้วยังมีอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ลึกลับสำหรับผู้ไม่ได้ศึกษาอบรม มาเลยแม้จตกตัวหยาบคือกิเลสตัวโลภมีสำคัญมากมันจะให้ตายจริงๆโลภไม่มีวันหยุดกันถอยไม่มีวันเพียงพอได้มาเท่าไหร่มากน้อยเพียงไรยิ่งเป็นเหมือนกับเครื่องเสริมไฝให้สูงเกลียวสูงขึ้นโดยลำดับลำดับ เพิ่มขั้นตาที่เล่าเปลาหาความสุขให้ได้เลยในบุคคลคนนั้นกระทั้งที่เจาะแส้งหาความสุขตั้งแต่เริ่มแรกมาจนกระทั่งมันตาหาไม่เจอแต่สิ่งเหล่านี้ได้มีอำนาจบังคับบัญชาให้เป็นไปแล้วต้องเป็นอย่างนั้นเรามีความจําถือเอาความจําเป็นเรื่องทลาดเรื่องขันหามาเพื่อยายารักษาตามธรรมดาก็ย่อมมีเวลาพักผ่อนได้อย่างสะดวกสบาย แต่ความโลภนี้มันไม่มีเมืองพอเลยทีมันจึงหาเวลาพักผ่อนไม่ได้ได้แถานี้ต้องอยากได้ทถานั้นต้องอยากได้ทถานั้นเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆไม่มีที่จะการทันมันได้โลกยังต้องหมุนตี๋อยู่ด้วยเหตุสองประการนี้เป็นสาคัญที่เกี่ยวกับเรื่านุเรืงขันซึ่มีความบุกร่องต้องการสิ่งยาวยารักษาเนี่ยยิเด็ดตัวหาเมืองพอไม่ได้เป็นตัวใหญ่มากทีเดียว ยัียงลำพาง่ากท่อเครื่องใช้ไม่สอยที่สําหรับธาตุขันพอเพียงปูไ ย, ยสําหรับโลกทั่วไปมันวงมนุษย์เก่าก็พอทาํามาแต่ถ้าถ้าที่เหลือปัญหาเหล่านี้มันเข้าวงกลารเป็นหัวหน้า ง, งานแล้วโลกไหนก็โลกคนใดก็คนถึงถ้าท่านมันณนะใดก็ตา่างจะต้องหมุนติ้วอยู่ด้วยสิ่งนี้เป็นเครื่องบังคับจนกระทั่ง ลมหายใจหมดมแล้วก็ไม่เจอความสุขแม้แต่น้อยเลยเจอตั้แต่กองทุกเพราะพวกนี้พวกอเอาสแสร้งหาความทุกข์ทั้งนั้นธรรมชาติอันนี้ พ, พาสับโลกไปเสแสด้งหาแต่คืนแต่ไฟมาเผารวมตัวเองอยู่ตลอดเวลาหาความเย็นจย็นเป็นสุขมาให้ที่ไหนในโลกก็ไม่เห็นโทษของมันจึงต้องไม่หมุนตัวไปตามมันเหมือนเช่นนั้น สรุปความแล้วว่าโลกเรานี้ยังไม่มีใครที่จะว่างจากการจักงานจากความเรื่องเหนื่อวุ่นวายหมุนตัวเป็นเกลียวอยู่เช่นนั้นอสรุปถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องทางเรื่งขันธิตโลกจะต้องแตกแสว่งหามายาวๆรักษาก็ต้องวุ่นวายหรือเรื่อยมาทํางานก็ต้องทาจริงๆไม่ทําจริงๆก็ไม่พอปากพอท้องความทุกข์ก็เกิดขึ้น โลกนไม่หมุนไปตามการตามงานางทีนี้ย้อนเข้าม า, าหาสมณะคือนักบวชนักปฏิบัติของเราแต่เพิ่งถือโลกเป็นหลากสำคัญว่าเขาไม่มีเวลาว่างงานของเขาเลยงานของโลกเขาก็ไม่มีเวลาว่างงานของพระก็ไม่ควรให้มีเวลาว่างเพื่อถอดถอนี่เหลสปัญหาอาสวะนี่คืองาน สำคัญเพื่อของสมณะลัดเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอันเป็นงานสำคัญของตนในเอียบทต่างๆไม่ปราบกระจากสติซึ่งควบคุมงานภายในยของตนที่ทำอยู่นั้นโดยสม่ำเสมอมีเรียกว่าเป็นผู้มีงานสมกับเพศและหน้าที่ของตนโดยแท้นางพระพุทธเจ้าเประทานไว้แล้วทุกประ ก, า ร, การในครั้งพิจกาล เราว่าภาพตามตำลักตำลาที่ท่านจดใจเลยแต่ไว้ยข้อท่านว่าดวาดท่านจดเอไว้ตามหลักความจรงที่เป็นมาเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านตำลายัดจริงว่าภาพเรื่องของพระพธธุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายได้โดยไม่ผิดจะเห็นจีริยพระอาการของพระพธธุทธเจ้าที่สแสดงเกี่ยวกับสูจทั้งหลายไม่มีเรื่องอื่นเรื่องใดนอกจากเรื่องถอดถอนจีเรตอาสระด้วยความภาคเคียน สังเสียพระมั่งคือทรงสั่งเสียมัง่งทรงให้การอบรมให้เห็นคุณค่าในสถานที่ที่จะบำเพ็ญบ้างให้เห็นคุณค่าของความเพียรของตนบ้างรวมแล้วมีแต่เรื่องให้กะบำเพ็ญตัความภาคเพียรเป็นเม็ดเป็นหน่วยสมกับงานของสมณะจริงๆเราจะเห็นได้บรรดา ระษาพวกทั้งหลายที่ออกมาจากสกุลต่างๆม า, า, าบวชศึกษาอารมกับพระพุทธเจ้าไม่มีงานใดกิริยาใดที่เป็นเรื่องของโลกเข้าไปเคลือบแฝงเลยจะคุยกันมากน้อยเชิงไรที่เทียบว่าธรรมสากัจฉาตาเลนะธรรมสากัจฉาเอตมังคลรมุตมังท่านสนทนากันเพื่อความรู้จริงเห็นจริงในอัตยธรรม เป็นที่มงคลทั้งสองฝ่ายได้รับประโยชน์จากกันเป็นอย่างนี้ไม่ว่ามากน้อยเพียงไรบรรดาธรรมที่ท่านสนทนากันอยู่ในวงแห่งสันเลขาธรรมที่เคยแสดงมาแล้วเสมอนั่นแหละไม่ได้นอกเหนือนไปจากไหนจากนั่นเลยการพูดกรัรพูดด้วยความชมเชยพูดด้วยความยินดีพูดด้วยความใฝ่ใจจริงๆไม่ได้สักแต่ว่าพูดตารบหรือสนทนากัน เนความมากน้อย <c oughs> ก็ตัดภาระทุรังอะไรออกหมดให้เพอเป็นไปได้เท่านั้น <c oughs> ความมักน้อยเป็นเครื่องตัดภาระเครื่องกดท่วงออกเสียให้มีแต่ความภาคเพียงไปด้วยความคล่องตัว้ล <c> ด <oughs> ลงมาก็ว่าสันโดษยินดีตามมีตามเกิดไม่เ ส, สาะแสวงหาสิ่งไม่มีไม่เป็นมากรบวนวุ่นวายตนเองและผู้อื่น เป็นการรบกวนเขาไม่ดีเลยหนึ่งในสันเดย์กระทำอปิชตาความมักน้อยสันตุถีด้วยความยินดีตามมตามเกิดทางปัจจัยทั้งหลายไม่ยินดีไปมากกว่าที่เกิดขึ้นมีขึ้นภายในผลไม่รบกวนผู้ใดเป็นผู้เลี้ยงง่ายเสมอสุภโลเป็นผู้เลี้ยงง่ายสันตุโกฏกสุภโลจกัก เป็นผู้สันโดษยินดีเป็นผู้เลี้ยงงาด อ, อยู่เยอะวุ่นวายกับใครทำไมพระเวกตาสนทนากันก็เป็นยังไงไปอยู่สถานที่นั่นได้รับความสงบสงัดดีไหมสถานที่เป็นอย่างไรอินฟ้าอากาศตลอดถึงน้ําท่าที่เป็นที่อาศัยสถานที่ประกอบความภาคเทียนเป็นไปด้วยความปลอดโปร่งโล่งใจไหมนั่ท่านสนทนากันที่พระเวกตาชอบในที่สงัด สังัดดีไหมวิริยาลำพาการประกอบความเพียรเปน็นอย่างไรบ้างได้อุบายแปเกๆต่างๆในสถานที่เพียงนั้นดีไหมองค์นี้ก็ถามองคนั้นองค์นั้นก็ถามองค์นี้เหมือนกันเพราะต่างองค์ต่างไปหาสถานที่เช่นเดียวกันนี้เมื่อได้ทราบว่าดีแล้วหากว่ามีโอกาสถ้านนั้นก็อาจจะไปมีโอกาสท่าง น, นี้ก็อาจจะไปสถานสู่สถานที่งเด น, นั้น พระเป็นที่เหมาะสมต่อการประกอบความภาคเพียเรเวกตาวิริยลัมพาอสังสคกณิกาไม่คุกคีกับผู้หนึ่งผู้ใดไม่ว่าไม่ต้องพูดที่เรื่องประชาชน ญ, ญาติโยมซึ่งเป็นสิ่งภายนอกนั้นเลยแม้แต่พระก็ไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกันจะพูดกันเฉพาะเวลาจำเป็นเท่านั้นเพราะเห็นไรเพราะไม่ให้หยิบ ส่งกระแสะออกไปสู่ภายนอกให้มากไปซึ่งเป็นการข้ามความจำเป็นหรือหลักความเพียรที่มีอยู่ในตนนี้ไปเสียและเสียไปเรล่มเวลาไปโผดก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องโรคเรื่องสงสารอันเป็นเครื่องสั่งสมกิเลสหรือส่งเสริมกิเลสที่มีอยู่แล้วให้พองตัวขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวพูดรลาครั้งหลายฝนก็ชินจนด้านให้พูดทาไม่ลงถ้าไม่ได้พูดโลกแล้ว อยู่ไม่น่าทุรนทุลายเหมือนคนจะตายนี่คือจิตมันเป็นโลกเยทั้งดวงในหัวใจของพระถ้าจิตเป็นธรรมแล้วจะไม่หิวโหวยกับเรื่องของโลกใดๆทั้งนั้นนอกจากมีความอิ่มพอมีความดูดดื่นภายในธรรมทั้งหลายแสดงออกมาอาการใดมีแต่ธรรมรุ่นๆเป็นที่ทราบซึ้งถึงจ็จิตใจขึ้นกันกองในระหว่างคู่สนทนากัน คำว่าสีก็ธรรมะระวังรักษาอยู่ตลอดเวลาเพราะเป็นสมบัติอันล้นค่าภายในตัวของเราสาระที่จะทําให้เกิดได้ด้วยวิธีใดสนทนากันสนทนาระเรื่งสีสนทนาระเรื่องสมาธิไปยังไงจิตใจเป็มีความสงบเงยือกเย็นดีไหมก็อยู่ในที่เช่นนั้นเช่นนั้นการประกอบความเพียรเป็นยังไงจิตใจรับความสงบเงยือกเย็นไหมไก็เยือกเย็นความเยือกเย็นขนาดไหนใครมีความรู้สึกยังไงในการประกอบความเพียรที่เป็น ปรากฏผลขึ้นมาก็เล่าสู่กันฟังเป็นเครื่องส่งเสริมสุขภัณฑ์น ใ, นให้มีความดุดดือดมีกําลังใจในการประกอบความปรับเปลี่ยนปัญญาพิจารณาได้ความแยบคายอย่างไรบ้างถามกันถึงเรื่องปัญญาเมื่อถามถึงเรื่องปัญญาแล้วไม่ไปวิมุติจะไปที่ไหนเพราะปัญญาเป็นเครื่องปราบรามสิ่งที่โลกรุงลังพานาจิตใ จ, จทั้งหลายให้หลุดพ้นถึงขั้นวินมุติ นี่ท่านบำเพิญมาแต่ก่อนสนทนากันท่านสนธนาอย่างนี้นี่หลักของพระพุทธศาสนาแท้หลักของพระแท้งานของพระแท้การพูดการจาาสนธนาของพระแท้ท่านเป็นอย่างนี้พากันตรวจจาหลักเยือนนิไว้อย่าให้ห่างจากจิตใจของตนอย่าเห็นว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่น่าคุยน่าสนนามากยิ่งกว่าสันเเลตธรรมทั้งสิบประการ ที่มีคุณค่าอนนีเสียต่อตจิตใจของเรานี้อันนี้เป็นสําคัญผู้ใดก็าตามถ้าลงได้มีความเน่นหนักลงในสิบข้อนี่จะเป็นข้อไหนก็าตามจะวิ่งถึงกันหมดทีเละเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นที่สุดก็าตามเถอะสิ่งที่เก่งกว่าที่เละ ย, ยังหนึมีที่จะต้องปราบที่เละให้ยอยู่ในเนื้อมือมี่ คืออะไรคือหลักธรรมที่พระเจ้าประธานไว้แล้วทุกบททุกบาททุกแง่ทุกมุมซึ่งก็มีอยู่ในตัวของเราท่านบอกอุบาวิธีการสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราซึ่งมันผูกมัดกันด้วยความสัมพัน์ของเราแล้วให้แก้กันออกด้วยอุบายต่างๆแห่งธรรมที่ท่านสอนไว้เนี่ยอย่างเช่นว่าเจสาลุมานะขาตันตาตะโจกเป็นต้ น, นก็ติดอันนี้สารโลกทั้งหลายติดกันตรงนี้ก็มาสอนที่ตรงนี้ดูให้ดีมีอยู่ในที่นี่ ความติดพันความสำคัญซึ่งเป็นเรื่องปลอมทั้งหลายนั่นแหะมันแทกของจริงมันดัดแปลงแต่งเอาใหม่ทั้งหมดนีิเลศมันไม่ได้เป็นไปตามธรรมทำมาเป็นของไม่งานเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอสุภะอสุพังเป็นสิ่งที่แตกสลายได้เสื่อมไปทุกเวลาเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา แต่กิเลสมันไม่เป็นอย่างนั้นมันดัดแปลงเส้ใหม่หลอกเราเรายังหลงทั้งๆที่ตาเราก็เห็นอยู่สิ่งเหล่านี้เป็นอย่างไรถ้าเอามาเทียบกับธรรมมาเป็นคู่แข่งกับธรรมแล้วเอาตามความจริงก็เนื้อทําไปไม่ได้ธรรมต้องมีน้ําหนักเต็มตัวเป็นของปฏิกูลนั่ะเรา ด, ดีมันหอมที่ไหนร่างกายของเราทุกส่วนนั่นไม่ปฏิกูลได้อย่างไรนี่เท่านี้ก็ทราบแล้ว แต่นั้นว่าสวยมันเนยมันเปลี่ยนขึ้นมาว่ามันสวยมันางามมันเจองามที่ตรงไหนมันสะอาดสะอาที่ตรงไหนนีแต่สิ่งที่มันปลอมขึ้นมาแฝงขึ้นมาปลอมขึ้นมาแต่ประไปเชื่อของปลอมมากยิ่งกว่าที่จะพิจารณาตามธรรมุญญะเห็นเป็นของจริงตามธรรมท่านเพราะฉะนั้นมันจึงฝืนธ ร, รรมตลอดเวลาทั้งๆ ท, ที่เราประกอบความเพียรในมันแหละเป็นการปีงเดียวกันกับธรรม เลยกลายเป็นค่าสิทต่อธรรมไปโดยบรรู้สิทตัวในขณะเดียวกันก็ความเห็นตรานี้ก็กลายเป็นค่าสิทธิ์ตัวเราเองไม่ใช่ตุที่หนฉะนั้นจึงไม่รู้มาเห็นเหมือนกับว่าธรรมของพระเจ้าสุดเอื้อมสุดวิสัยของมนุษย์เราเต่ว่ายิ่งของเราที่จะปฏิบัติให้รู้ให้เห็นให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ ท, ท่านสอนใบมันสุดวิสัยไปเสียหมดเพราะความรู้ความเห็นมันไม่เป็นไปตามธรรมมันเป็นไปตามกิเลสไปทั้งหมด เกิเลสนั้นเป็นเรื่องขวางทำอยู่แล้วเมื่อความรู้เห็นเป็ น, ปนไปตามกิเลสเชื่อกิเลสไปแล้วก็เป็นคนขวางทำแล้วมันจะนรู้เป้าหมายแห่างทำตามพระเจ้าได้อย่างไรท่านจึงนำมาท่านจึงให้สอนว่าให้พิจารณาทํซ้ำซากซคลี่คลาแยกแยะออกดูโดยสม่ำเสมอว่ันหนึ่งจนได้ที่จะรู้จะเห็นตามหลักหลักความจริงของธรรมที่สอนไว้ท่านว่าสักข้าโตพระกวาตาธรรมู ตราบไว้ชอบแล้วฟังสิทำตราบไว้ชอบแล้วมันไม่ชอบอยู่ที่หัวใจของเราที่เป็นไปด้วยสิ่งจําปลอ ม, อมคือกิเลสทั้งหลายเท่านั้นจึงต้องพยายามแวกจากกิเลสจำปลอ ม, อมนั้นเข้ามาสู่ความจริงในธรรมมาตราบไว้ชอบแล้วร่างกายเป็นยังไงเป็นอสุภาพอสุยคังทุกขังในจางน้าตานี่คือความจริงพยายามคลี่คลายดูจุดนี้ไม่เห็นเอาให้เห็นเห็นภายใใจตาเนื้อเห็นอยู่แล้วมไม่ได้ปฏิเสธพุทธเจ้ไม่ได้ เห็นอยู่ทุกอย่างแปลสภาพก็เห็นอยู่ทุกก็เห็นอยู่อนัตตาถือเป็นตัวเป็นตนเป็นจัตเป็นบุคคลเป็นลาเป็นเขาที่ไหนมันก็มีแต่ดินน้ำลมไฟครับพูดตามสมมุติขั้นจากนั้นก็ทุกชิ้นทุกส่วนภานร่างกานี้ก็เป็นตัวอย่างทุกอนัตตาไตรลักเต็มอยู่หมดอยู่ด้วยกันนั่นแหละทั้งสามไตรลักษณ์นี้ที่ค่าตลาดครั้งไรหุ่นมันก็เข้าใจสติเป็นสําคัญในการประกอบความเปลี่ยนเราถึงเน้นเสมอเรื่องสติพ่อเคยเห็นคุณค่าของสติ มาแล้วด้วยเขาเห็นโทษของความขาดสติมาแล้วด้วยอย่งนี้นำมาสอนอย่างเต็มหัวใจที่เต็มปากเนี่ยเราประกอบความพากเพียรวันไหนสติไม่ค่อยดีการพิจารณาก็ไม่ค่อยแจงแจ้งเนีย่ยหลักใหญ่อยู่ตรงนี้สติผู้ควบคุมงานขาดวักขาดตอนงานก็ขาดวักขาดตอนไป ตามสตินี่แหละที่ว่าขาดความความเพียนขาดว่าขาดตอนขาดตรงนี้ขาสติดีอยู่การพิจารณาทางด้านปัญญาจับตรงไปเกาะลงไปมันติดปับ๊บติดปับ๊บติดปับ๊บทุ่งไปเลยทะลุไปเลยถึงความจริงตามขั้นภูมิหรือกาลังของตนตัวไม่ต้องสงสัยแต่ว่าไหนาพิจารณามันไม่ติดเพราะสติไม่ดีเกาะแล้วผิดกลาดไปเกาะแล้วหลุดไปหลุดไป ความจริงมันก็ไม่เด่นเพียงขั้นนี้ก็พอสร้างได้สมควรอยู่แล้วโน่นพี่เราจะเห็นได้ชัดเจนว่าความเพียรมันติดพันกันมันเป็นเนื้อเป็นหนังของความเพียรจริงๆเป็นชิ้นเป็นอันเป็นเหตุเป็นผลเป็นความเพียรน้อยเปอร์เซ็นต์น้อยเปอร์เซ็นต์เป็นระยะๆไปก็ตอนสติปัญญาตโนมัตินะนั่นจึงเห็นได้ชัดทีเดียวอะไรมาเกาะไม่ติดสลักปุ๊บปุ๊บป๊ ด้วยอำนาจของสติปัญญาที่มันรู้ทันกันตลอดตั้งไม่ตั้งก็ตามฟังแต่ว่าสติปัญญาอัตโนมัติกว่าแล้วกันอะไรมาสัมผัสพักนี่มันก็เหมือนกับเตือนสติและปัญญาให้ตื่นในขณะเดียวกันหรือให้รู้สึกตัวกับสิ่งนั้นในขณะเดียวกันปกติก็รู้สึกตัวอยู่แล้วแต่เมื่อมีสิ่งที่เข้ามาสัมผัสก็รับทราบ ก, กัสิ่งนั้นทันทีแล้วคลี่คากันไปโดยลําดับทันทีจนกทั่งเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วปล่อย ต่อยต่อยด้วหนึ่งหนึ่งความเพียจรจึงขึ้นอยู่กับสติขอให้ทําเต็มเม็ดเต็มหน่วยเราอยากรู้อยากเห็นคุณค่าแห่งธรรมที่เกิดขึ้นกับการปฏิบัติทั้งหลายนีพวกเราเป็นต้นที่ตั้งหน้าต่างๆมาศึกษาจากที่ต่างๆมามืมา่อวันนี้ทำ ม, มีเจตนาอย่างเดียวกันขออย่าลืมความตั้งอกตั้งใจความมุ่งหมายของตนที่มา ในเวลประกอบความภากเปลี่ยนย่างยิ่งเล็ดมันหลอกให้ทะเลถลายไปนู่นทะเลถลายไปนี่นี้แต่เรื่องยิ่งเล็ดจูงจมูกอยู่ตลอดเวลายึดไม่ได้ยังเข้าถึงทำได้เลยถูกแต่ยิเล็ดหลอกจับชุดล่าออกไปจากช่องทางธรรมที่จะบควรรู้ได้เห็นมากช่องนี้ช่องนั้นเช่นช่องทุกขังช่องนิจจังช่องอนัตตาช่องอสุภาพอรูปมันลงช่องนี้ไม่ได้มันลงแต่ช่องที่ยิ่เล็ดหลอกลวงไปเสอะลงเรียกว่าลงช่องหลอกลวง ล็อกตัวเองไปเลยเลยันก็ไม่เห็นผลเอ็นประโยช์อะไรทา น, นจึงเอาให้กินให้จังเทศสอนหมู่เพื่อนมาก็ไม่รู้กี่ปีกี่เดือนเทศเป็นเม็ดเต็มหน่วยหมดภูมิความสามารถที่จะเทศยิงไปกว่าที่เคยเทศมาแล้วนี่เป็นไปไมาน่าแล้วสำหรับเราผวรทีจะพูดปฏิบัติให้รู้ว่าเห็นขึ้นพันในใจมันก็น่าจะเป็นอยู่แล้วน่าจะเป็นไปได้แล้ว ถ้าว่าไม่เลีวไหลไม่ทะเละไหลเขียงในภ า, า, นายในจิตทั้งตนทั้งที่ประกอบความเปลี่ยนอยู่นั้นเท่านั้นก็มีอย่างอื่นมันน่าจะรู้จิงเหล่านี้อยู่กับตัว แ, แท้ๆขุดค้นลงไปตรงนี้ทำไมความสงบเมื่อมีอะไรกวนจิตเพราะการบังคับได้ไม่ให้จิตไปยุ่งกับสิ่งใดสติบังคับไว้เสมอทำไมจิตจะสงบไม่ตัวไม่ได้การที่สติร่างมาอยู่หรือสติเผลอ มันเป็นเหตุให้จิตถูกกิเลสลากไปด้วยความเคยคินต่อมันต่อนิสัยของกิเลสไปแล้วนั่นมันก็ไม่รู้เรื่องทุกหรือาวนั่งภาวนาก็มีแต่ง่วงเหงาห้องนอนหาความสงบไม่ได้นอกจากสงบหลับแบบหลับเท่านั้นเรื่องการสมาธิก็ไม่เห็นถ้าเป็นอย่างนั้นแม่ปราโกดได้ยินแตชื่อนั่นแหละสมาธิสมาธิเป็นแคความตั้งมั่นอาให้มันตั้งมั่นความเพียรมันก็ไม่มา มันทะเลทะไหลไปตามกิเลสทั้งหมดเอาความมั่นมาจากไหนเมื่อตัวเหตุไม่มั่นผลคือความสงบใจให้เป็นความสงบอย่างแน่นหนามั่นคงมันจะมีได้อย่างไรผลเกิดขึ้นจากเหตุต่างหากนี่อย่างขั้นสมาธินันก็เป็นไปไมาา่นด้พอพูดถึงขั้นปัญญาด้วยแล้วก็ยิ่งละเอียดเป็นลาดับลำดับไม่มีอะไรที่จะกว้างยิ่งกว่าปัญญาสมาธิเมื่อเต็มภูมิแล้วก็อยู่ เหมือนกับน้ําเต็มตุ่มแล้วอยู่แต่ปัญญานี้ไม่เป็นอย่างนั้นไม่มีขอบเขตซึมซาบไปได้หมดทุกแง่ทุกทกระทงไม่ว่ากว้างว่าแคบแล้วแต่เหตุการณ์ที่ควจะให้พิจารณาไปถึงไหนไปได้ทั้งนั้นปัญญาไม่มีขอบเขตส่วนสติเพราะส่วนสมาธินี่หมือนเท่าที่ปฏิบัติมาเป็นอย่างนั้นมาเต็มภูมิของสมาธิแล้วจะให้ยิ่งมวนั้นไปอีกก็ไม่ได้ กำหนดทีไลน์มันก็อยู่แค่นั้นละเอียดก็ถึงขั้นสุดของสมาธินั่นเท่านั้นมันจะละเอียดแบบบิดมุดหลุดพ้นมันจะละเอียดเพื่อความดุดพ้นมันละเอียดตามกําลังของสมาธิที่เต็มภูมิแล้วอย่างนี้ก่อเต็มที่อยู่นั่นเสียนอกจากนั้นมันไม่เพิ่มหมายถึงว่ามันมีขอบมีเศษถ้าเป็นน้ําก็เต็มตุงมถึงขอบปากแล้วอยู่ส่วนปัญญาไม่เป็นเช่นนั้น หมุนติ่วไปตลอดไม่ว่าก ว, ว้างมากแค่ไหลึกตื้นหยาบละเอียดแค่ไหน ส, สติกับปัญ ญ, ญานี่ตามมันไปได้ทั้งน้ำจนเป็นที่เข้าใจเข้าใจซึง้งเราเห็นนี้เองพราปรีชาสามารถของพระพุทธเจ้าจึงผิดกับพภาษาภา้าหลายอยู่มากมายก็เห็นนี้เพรา ะ, ะพระพระปัญญามีความฉลาดแหลมคมสมภูมิศาสดาเอกในโลกของโลกต้องกระจายหมด โลกธาตุสามารถทรถาบได้หมดอปัญญาไม่มีขอบเขตถือขั้นสมมุติเป็นเกณฑ์เลยเอ็มสมมุตินั่นเนี่ขั้นสมมติก็หลุดพ้นไปแล้วไม่ต้องกล่าวถึงจะพิจารณาตามโลกสมมุตินี่เทองค์วามสามารถนู่แจะยงตลอดตัวถึงที่เดียวโลกกับวิถุไม่มีขอบเขดงนั้นการพิจารณาทางด้านปัญญาของเราควรจะให้มีเป็นคู่เทียงกันไปกับกัน อบรมสมาธิในการอันควรจะพิจารณาอย่าไปยุ่งตั้งแต่กับสมาธิด้วยความขี้เกียจจะพิจารณาอะไรก็ขี้เกียจหาอุบายตั้งปัญหาขึ้นถามตัวเองยกขันนี้เป็นที่ตั้งจะเป็นขันนอกขันในก็ตามเอามาแยกแยกปีนี้ปีหน้นาแต่เพราะอย่างยิ่งขันในของตัวของเรานี่ยมันสำคัญเรานี่ยมีความแยบคายจากเวท น, นาขัน มันเอาจริงๆทุก น, นั่นแหละทุกเวทนามัดตัวเข้าไปไม่มีทางออกเ ม, มื่อหมุนตี่ของมั น, นจนกระทั่งมันแตกกระจายลงรู้ตลอดทั่วถึงของทุกขเวทนาว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไงเกิดขึ้นมาเพราะเหตุอะไรจนถึงการความจริงทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตเวลาจนกรอบมันฟิตของมันเองไม่ยอมถอยถอยไปได้อย่ง ถึงขั้นไม่ยอมถอยมันถอยไม่ได้ต้องเอาจริงเอาจังนั่นแหละขั้นนั้นแหละเป็นขั้นที่เห็นความอัศจรรย์เป็นขั้นที่เชื่อตัวเองได้เชื่อว่าตัวนี้มีสติปัญญาได้จริงเพราะผลขึ้นมาเวลาจนเกาะคนเราจริงไม่ได้โง่อยู่ตลอดไปผ่านจะนำอภินิษฐาณูนาโถมาใชานะ้นอกจากหวังจะพึ่งพิงคนอื่นไปเรื่อยๆเป็นนิสัยของมนุษย์หวังพึ่งจะผู้อื่นไม่สนใจที่จะมาพึ่งตัวเองอันจริงไม่ค่อยได้เหตุได้ผลอะไร อยู่กับครูอาจารย์ก็พึ่งแต่ครูแต่อาจารย์แต่เสียที่มาพึ่งตัวเองในเวลาที่ควรจะพึ่งนั้นก็ไม่สนใจจะพึ่งไม่สนใจจะคิดไม่สนใจจะต่อสู้สิ่งที่มันผุ่มมัดรัดดึงอยู่ภายใจิตใจตัวเองมันก็ไม่ได้อุบายต่างๆมันจะช่วยตัวเองไม่ได้ น, น, นี่ส่วนที่มันเด่นจริงๆก็คือทุกเวทนาสำหรับเราเองเด่นมากเห็นประจับอาถาร ทุกครั้งที่เข้าทะลุมบอนกันเมื่อสละเป็นตายลงสู่ความเพียนนี้แล้วรู้ได้ทุกครั้งไม่เคยพลาดเลยเพราะมันทุ่มลงไปตรงนั้นหมดชีวิต จ, จิตใจมอบไปหมดแล้วจ ะ, ะไปเฉลยถลายไม่ได้กระแสะของจิตที่เป็นนอกรูนอกทางไม่ได้เป็นอันขาดว่างั้นเลยนี่ถึงมันเป็นมันถึงต้องเป็นทุกข์มากทุกในร่างกายเพราะทุกกับเวทนาบีบบังคับแล้วยังมาไมด้จิตยังต้องกระสับกระส่ายจะคิดไปนู้นไปนี้อีกบังคับจิต คิดอย่างนั้นอีกด้วยไม่ยอมให้คิดออกไปเราจะทุกข์ก็ตามจะเป็นก็ตายก็ตามให้หมุนอยู่กับตรงนี้พระพุทธเจ้าท่านว่าทุกขังที่อริยสัจอยางท่านบอกเป็นสัจธรรมอย่างนี้ไม่เป็นอื่นเป็นสัจธรรมท่านบอกพิจารณาให้มเห็นสัจธรรมเป็นยังไงว่าทุกข์เป็นของจรงิงกิงอย่างไรพอพิจารณารอบกันทุกสัตว์ทุกส่วนแล้วทุกข์ก็เป็นของจริงจริงๆ ซักแต่ว่าทุกข์อยู่เท่านั้นไม่ปรากฏว่าทุกข์เขมีความหมายในตัวเขาเองและมาให้ทุกข์แก่เราเขาไม่มีความหมายสักจะเป็นความจริงอันหนึ่งอยู่เท่านั้นรากายที่แรกเราก็เหมาเอาว่าร่างกายของเราส่วนนั้นส่วนนี้หรือหมดทั้งร่างนี้ว่าเป็นตัวทุกข์ส่วนว่าเป็นตัวเราเป็นของเราไม่ต้องพูดอันนี้มันเป็นมาแล้วเอากันในขณะนั้นในขณะมันทุ่นหมุนวุ่นวายอยู่กับทุกข์นั้นมันถือว่าถ้าตขันทั้งหมดนี้เป็นทุกข์ไม่แยกหาจริงๆ อ้าอันไหนเป็นทุกข์ธาตุขันธ์ส่วนไหนท่มันเป็นทุกข์จริงๆไล่เข้าไปไล่เข้าไปจิตจ่อเข้าไปสติจ่อเข้าไปบังเข้าไปไม่ยอมให้ถอยเป็นกับตาก็มอบกันไว้ที่นี่จะออกไปไหนความเป็นกับตาอยู่ที่ขันธ์นี้ยันนี้จากขันธ์ให้รู้ในขันธ์นี้จริงๆว่ารู้ความจริงนะพอจิตค้นคว้าย้อนหน้าย้อนหลังย้อนไปดูเวทนาก็ดูจริงๆดูให้ถึงใจมาดูร่างกายส่วนไหนที่ว่ามันเป็นทุกข์ก็ดูจริงๆจนถึงใจ เมื่อถึงใจแล้วก็ถึงความจริงแล้วย้อนดูจิตอีกอเทียบเทียงทุกสัตว์ทุกส่วนสามอย่างนี้เป็นสําคัญกายทุกขเวทนาเอกที่มันผัวพันมันี้จิตนั่นไปพัวพันเขาจึงต้องพิจารณานั่นแล้วแยกสมาหาจิตแยกสหากายแยกสมาทุกขเวทนาแยกมาหาจิตตลบทบทวนไม่รู้กี่ครั้งกี่หนไม่ต้องพูดเอาจนกระทั่งเข้าใจเห็นเป็นความจริงอย่างเต็มสัตว์เต็มส่วนหาทางสงสัยไม่ได้แล้วหนึ่ง ทุกดับวูบไปหมดเลยสองทุกไม่ดับก็ตามแต่หากความกระเทือนใจไม่ได้ต่างอันต่างกินไม่มีความกระทบกระเทือนใจเนื้อร่างกายจะแตกไปในขนาดนั้นก็ไม่มีอะไรจะทุกขะทานภายในจิตใจเพราะต่างอันต่างจินแล้วเนี่ยมันจะไม่อาจทานได้อย่างไงเมื่อมันถึงความกินด้วยการทุกสัตว์ทุกส่วนเต็มภูมิแล้วไม่มีกระทบกันด้วยแล้ว่างทุกกับใจก็ไม่กระทบกันขันกับเราก็ไม่กระทบกัน ต่างอันต่างจริงจึงเรียกว่าต่างอันต่างจริงเมื่อถึงขั้นความจริงแล้วไม่กระทบกันพระอรหันต์ท่านเวลาท่านนิพพานท่านเองนิพพานได้อย่างสะดวกสบายเพราะมีอะไรกระทบกันท่านเป็นความจริงล้วนๆอยู่แล้วในหลักธรรมชาติของจิตท่านสิ่งเหล่านี้ท่านก็เห็นว่าเป็นความจริงอยู่แล้วจะมีอะไรมากระทบกระเทือนท่านเพราะให้เกิดความรัสมไร้สายเกลกยววายเหมือนโลกทั่วๆไปท่านเป็นท่านไม่เป็นเรื่องของขันจะดิ้นจะดีดไปตามลักษณะของขัน นั่นเป็นสภาพอันหนึ่งเจาเาเขาไปบวกกันกับกิตไม่ได้เป็นแข้งขาอวัยวะมันดินมันดีดของมันเดี่ยวนี้เป็นต้นมันเป็นอาการอันหนึ่งของขันที่มันแสดงตัวเหมือนกับไม้ที่ถูกไฟเผาเนี่ยหนึ่งใบไม้เห ย, ยเียบความพันกันเข้าไปไม้ไผ่ทังเสียงระเบิดปึ้งปังปึ้งปังเหมือนกับเป็นของมีหัวใจเหมือนกับ ไม้นันเจ็บปวดเพราะไฟเผาความจริงไม้ไม่มีความมเจ็บปวดในตัวเองไฟก็ไ ม, <c oughs> ไม่มีความหมายใ้ตัวเองหากเป็นอย่างนั้นระหว่างไม้กับฟืนอระหว่างไม้กับไฟเผากันเป็นอย่างนั้นมีระหว่างขันกับทุกขเวทนามันแผลเข้ากันก็เป็นเช่นนั้นมันไม่ส่งผลเข้าไปกระทบกระเทินจิตใจได้เมื่อจิตใจได้ถึงขั้นภูมิแห่งความจริงเต็มส่วน โดยหลักธรรมชาติของตนแล้วย่อมเป็นอย่างนั้นด้วยเหตุนี้พระสานจริงไม่มีกําหนดกฎเกณฑ์ว่าจะตายในยาบุตรใดก็เสียท่าเสียทีไม่เสียท่าเสียทีไม่มีไ ม, มียาบุตรใดไม่มีอาการใดที่จะไปทําลายจิตใจท่า น, นบริสุทธิ์อยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติให้การเป็นความสมองลึกเป็นกุปตธรรมตําเรลกขึ้นมาเป็นไปไม่ได้ไม่เมื่อกินตามส่วนแล้วก็เป็นอย่างนั้น พยายามไม่หมู่เพื่อนในประกอบความภาคเพียรไม่ให้มีงานอะไรการอะไรนอกจากงานเดินจนกลมนั่งสมาธิภาวนานี่เท่านั้นถือเป็นงานอย่างยิ่งดูที่ไหนให้ทํางานทังตนเองเดินจนกลมนั่งสมาธิภาวนามีสติเป็นเครื่องกํากับรักษาใจอยู่เสมอปัญญาคว้าสอดนองจะให้จิตมันทะเลสาไหลไปได้เคยเป็นมาพอแล้วไม่เห็นโทษของมันในเวลาการในเวลาประกอบความภาคเพียรในเวลาที่ควรจะเห็นโทษมันด้วยสติปัญญาทั้งตน เราจะไปเอาเวลาไหนมาเห็นโทษทรมันถ้าไม่เห็นในเวลานี้แล้วมันก็หมดหวังสำนันมนกมนุษย์เราขอให้กินให้จังกลัวจะตายก ล, ลัวจะลําบากจะบังคับต่อสู้กิเลสบ้างก็กลัวลําบากเสียไปล้มไปทางฝ่ายกิเลสให้มันเหยียบย่าทำลายเอาเสียเลยมันมีทางคํ า, าชนะกิเลสได้ถ้าตัวชนะกิเลสไม่ได้แล้วเราหาความสุขไม่เจอแหละในชีวิตของพระเรานี่ นอกจากเราได้ชนะกิเลสตัวใดแล้วเราก็ทาเป็นอิสระในกิเลสตัวนั้นขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเอาให้หมดไม่มีกิเลสตัวใดตกค้างอยู่ภายในจิตใจแม้แต่น้อยแม้แต่ประมานูเลย <c oughs> นั่นน่ะจึงเป็นอิสระเต็มตัวอยู่ไหนอยู่เถอะที่นี่มันหมดความหมายหมดแล้วะเรื่องโลกธกาตนนุมันเป็นสมมติด้วยกันรู้เท่าทันหมดแล้วจิตก็เป็นจิตตาดขันสมมุติต่างๆก็เป็นไปตามสภาพของเขานั่นเป็นอิสระตลอดเวลา แม้ขันจะยังมีอยู่มีสิ่งรบควรอยู่เป็นทุกข์ความลําบากมันก็ไม่กระเทือนถึงใจใจมีแต่ความรับติดชอบที่จะต้องปฏิบัติธาตุขันไปตามเรื่องราวที่เขายังมีความเป็นสืบต่ออยู่เท่านั้นเขาจะเป็นอุปทานความยึดมั่นถือมั่นความโกลงกระวายท่านไม่มีหรือเราเป็นอิสระแล้วทำไมจะไม่เห็นโทษอย่างกิเลสที่มันเคยครอบ น้ำหัวใจมานนว่ามันทําจิตใจให้มีความชอ c k ทำขุนมัวได้รับความทุกข์ความทรมานมากน้อยอย่างไรได้อย่างไรเมื่อนั้นมันหมดไปแล้วมันก็เห็นได้อย่างชัดอ่านได้อย่างเต็มปากเต็มใจนันนีหยแต่เดินจงกรมนั่งอยู่มันง่วงลงเดินหาามวิธีแก้จาของคนเราตั้งง่วงก็จะนอนตอนนั้น นอนก็เคยนอนมามากแล้วได้ผลได้ประโชน์อะไรเพียงบำบัดยายาทัดขันไปเป็นการเปลนเวลา <c oughs> ความเพียร น, นี้เพื่อแก้คิเพื่อแก้กิเลสโดยตรง <c oughs> ความนอนไม่ใช่เป็นการแก้กิเลสเนี่ย <c oughs> นการบำบัดทัดขันระงับทัดขันพอมีกําลังแล้วนํามาช้าในในงานการแก้การตัดอนกิเลส ด, ด้วยความเพียร <c oughs> ความเพียร น, นี้เองเป็นงานที่ชำระกิเลสการหลับนอนไม่ใช่เป็นการ ทำรักยิ่เหลือแต่มันจําเป็นที่จะต้องพักผ่อนกายเห็นไปตามเรื่องความจําเป็นนั้นจะถือเอาความสุขในการนอนดังพระพุทธเจ้าท่านสอนพระโมกขันลาจะหวังความสุขในการนอนทันวันนั้นหาอุบายวิธีเปลี่ยนแปลงแก้ไขควา ม, มงงงงนอนไม่ลุกจีบอุบายพุทธเจ้าทรงสอนถ้าว่าพักการนอนเป็นของดีทําไมจึงมารับสั่งพระโมกขันลาให้นอนจะให้จมไปเลยนะโมกขันลาถึงปณินพธานในหมอนนั่นแหละ ทางนั่กํากลังหลับคร้าคล้กันเนี่ยฮงไม่เห็นสอนอย่างนั้นนอกจากสอนให้หลีบหมอนเท่านั้นหาอุบายนั่น ห, หาอุบายนี้เหยียนดูบนฟ้าอากาศอะไรๆอย่างนี้เป็นต้นทำมันนั่งมหาให้ทำอย่างนันให้ทํานั้นทำมันจําเป็นนี้มันเพียบเป็นที่ก็พักมันเสียแนน่มาก็่าพักร่างกายมันเพียบไม่ใช่วางความสูงในการนอนท่านย้าอีกเลยวางความสูงในการนอนเพราะสิ่ ง, งนั้นไม่ใช่ เป็นทางแย่ที่เหลือความเพียรต่างหามเป็นทางแย่ที่เหลืเราคิดให้ถึงใจที่อุบายอย่างนี้ตั้งหน้าตัางา้งตาปฏิบัติเวลามาอยู่ด้วยกันคิดถึงเรื่องใดมากที่สุดกระแสะของจิตที่เกี่ยวคิดออกมาในแง่ต่างๆมันเกี่ยวกับหมู่เพื่อนมันคิดเรื่องอะไรก็หมู่เพื่อนมันคิดเป็นธรรมใหม่ถ้าคิดไม่เป็นธรรมมันก็คิดกระท้อนกระเทือนหมู่เพื่อน แสดงว่าจิตดวงนี้เป็นมารไปเชื่กระทบกระเทือนคนอื่นเหยียบหัวใจตัวเองออกไปถ้าไม่แก้ตรงนี้ก็จะเป็นไปอีกเรื่อยๆมองกันให้มองในแง่มิมรตามองในกันในมองในแงี่ให้อภัยมองกันในแง่ผลนั่นนหละหลักใหญ่ตรงนั้นต่างคนต่างมุ่งความจริงต่อกันแล้วพูดกันรู้เรื่องง่ายๆ คิด ท, ที่มาน่าเป็นเรื่องของที่เละเอามาใช้ในวงปฏิบัติได้อย่างไรนั่นเพียงเท่า น, นั้นมันก็ปราบกันอยู่แล้วหัวใจนั่นแหละตัวมันดิ้นมันดีมันแสดงภาพแบบนั้นภาพแบบนีน้ในเรื่องของอันใดก็ตามเรื่องของเพื่อนฝูงก็ตามมันจะมีภาพออกไปจากตัวเองทาให้เป็นความกังวลวุ่นวาย ไปต่างๆอันมาก็ะทบกับเทือนขึ่งกันละกันก็เพราะกิเลสมั้นแหละทําแท้ไม่กระเทือนกินนกนกเลสพาให้กระเทือนเสมอไม่มากก็ น, อน้อยอย่างพึ่งน้ำมัดรระวังเราเป็นนักปฏิบัติจริงอันนี้อย่าให้มันเหยียดยั้นทาลายจิตใจของเราได้ถึงกระต้องกระทบกระเทือนขึ่งกันละกันเลวดูไม่ได้เลยแต่ลงดูหัวใจต่างคนต่างดูหัวใจตัวเองอยู่แล้วจะทราบความกระเพื่อมความคนนอนห้องใจมันเข้าคันอนไปทางไหนคือความคันมะคันนอนมันอยู่ไม่เป็นปกติ มันหาเรื่องอยู่เรื่อยเนี่ยความขึ้นความนองไม่ใช่หมายว่าขานอนกำหนักเย็นดียขา น, นองเรื่องไหนมันก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้ น, นต้องระมัดระ ว, วังงานของเราที่จะทําให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งวันทั้งคืนคือเดินนั่งนอนเว้นแต่หนักก็คืองานภาวนาถือเป็นหลักเป็นเกณฑ์สาคัญงานนี้แหละเราพึ่งเป็นพึ่งตากันมานี้ไม่งั้นเราบวชมาทำใหม่อย่างโลกเขามัน โลกเขาสมัครใจกันอยู่อย่างนั้นทั้งนั้นเราก็เป็นคนหนึ่งในโลกเขาทําไมเราไม่สมัครใจอยู่นั้นจิตใจของเราก็ปัวพันในสิ่งนั้นแต่คิดเห็นแง่ของธรรมที่จะเป็นไปดีกว่านั้นเราจรึงต้องนกษณะความเป็นคารวะเข้ามาสู่ความเป็นนักบวชแล้วประกอบการงานของนักบวชอย่างนี้แล้วเราจะจะท้อถอยหนงานของเราอยู่แล้วก็มีทางที่จะรู้เห็นและเปิดเปลือกกิเลสซึ่งเป็นเหมือนกับโลกของเขาได้เลยเรากับโลกเขาก็ไม่แตกต่างกัน ผีผ้าไม่สําคัญสําคัญที่จิตใจเปลี่ยนที่จิตใจผ้านี้เพียงเป็นเครื่องหมายของนักบวชนนั้นของนักปฏิบัติของนักต่อสู้ผ้ากาลวะพันี้คือผ้าชัยชนะเลือดโลกมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าแล้วเรานํามาใช้มีเนี่ยธงอะธงสามสีพระพุทธเจ้าประทับประสงค์เราได้ ส, สวมธงนี้เข้าไปในร่างแล้วเราต้องเป็นนักลบให้จริงให้จรงต่อทุกสิ่งทุกอย่าง ด้วยเหตุด้วยผลสติปัญญาเป็นสาคัญในการพิจารณาไก่กรอยเอาให้จริงให้จังทําไมจะไม่รู้กว้างศอกยาวาหนาคืบมีเท่านั้นในขันนี่มันกว้างมันใหญ่โตอะไรนักหนาสติปัญญาเจาะลงไปตรงนี้ทําไมมันจะไม่รู้จะไม่เห็นยีดมันเคยคึกขนองมาพอแล้วได้ผลดีจากมันอะไรบ้างนี่เราจะบางข้ามามันคิดยุ่งเหยิงวุ่นวายกับอารมณ์หล่อ น, นั้นที่เคยคิดมาแล้วให้เข้าสู่ ความสงบเยือกเย็นด้วยภาวนาของเราเราทําไมเราจะทําไม่ได้บังคับไม่ได้ไม่บังคับจะเรียกว่าต่อสู้กันได้ยังกเเลดฉุดลากไปแล้วบังคับออกย้อนจิตย้อนกลับเข้ามาชื่อว่าต่อสู้กันถุดลากกันอ๋อามันจริงมันจั้งเมื่อเราจริงจังแล้วกิเดมันก็อ่อนตัวข้อทั้งปลายพอเรอ่อนมันก็แข็งข้อขึ้นมาเพราะนั่นจริงต้องให้แข็งอยู่เรื่อยๆแข็งด้วยทําขั้นนี้แข็งด้วยความเพียรขั้นนี้แล้วแข็งด้วยความเพียรขั้นนั้น ขึ้นไปสติปัญญาขั้นนี้สติปัญญาขั้นนั้นแข็งขึ้นไปเรื่อยๆนีิเหลียมก็อ่อนลงไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายก็พ้นไปได้มันเห็นอยู่ภายในใจนี่คำหลุดพ้นไปยังไงทำไมพระพุทธเจ้าท่านจัดออกมาได้อย่างเต็มพระอดเพราะท่านทรงรู้อย่างถึงพระไทยไม่มีใครไปบอกก็ตามถ้าลงรู้ถึงใจแล้วพูดได้เดียกันคนเหล่าพระสาอวกก็เหมือนกันธรรมเป็นธรรมแท่งเดียวกันอุบายวิธีการแก้กิเลกก็ออก ไปจากธรรมที่พระเจ้าสอนแล้วอย่างเดียวกับยิเรศตัวไหนจะยี่ง น, น่ลัสนานเหนือธรรมไปได้ไม่มียังไม่เรายังไม่เคยเห็นธรรมที่ยี่งน่าเหนือยิเรศก็ไม่มีนอกจากตัวเราเองที่จะนำธรรมเข้ามาปฏิบัติกําลังของเราไม่พออยกธรรมเครื่องสะตราวุธคือธรรมนั้นขึ้นมาไม่ได้มันอ่อนเปียกไปหมดด้วยความขี้เกียจขี้การซึ่งเป็นเรื่องของยิเรศมันเคาะข้อมือเาตีข้ขอมือเอาตาาอออาีแข้งตีขาให้ก้าวไม่ออกเดินไม่ไหว เดินโซซัดโซเซไปด้วยความงวงเงนอนไปด้วยความเผลอเลยต่างหต่างๆไปไม่มีสติสฉลีย่ยดังนั้นมันก็ไม่รู้อย่างนั้นถุก ย, ย, ยีเหยียบย่ําทำลายเอะขีดลงไปแหลกไปหมดสร้างขึ้นมาม่น า, นาเราจะวังมากกวนิพพานและหวังความพ้นทุกข์ที่ตรงไหนไม่มีสิ่งที่จะมีได้เพราะอะไรก็มีได้แล้วที่กล่าววันนี้เอาหนักก้อนสู้ที่เราเป็นนักสู้แล้วนี่ ก็เคยทราบอยู่แล้วว่านิเลศมันเป็นตัวสําคัญเป็นค่าศึกอันใหญ่โตมากในหัวใจเราหัวใจโลกเวลานี้เราจะต่อสู้กิเลส จ, จะทําอย่างสะดวกสบายแตไม่ได้นิเลศมันมีน้ําหนักมากขนาดไหนกิเลสประเภทนี้ประเภทนั้นมีน้ําหนักมากขนาดไหนกาลังเราต้องเอาให้ทานน้าหนักมันได้และเหยียบย่ทำทําลายมันลงมาได้ด้วยกําลังของเรานั่นถึงจะจะให้ใครชนะผู้ปฏิบัติต้องเป็นอย่นั้น ทำพอแท่อ่อนแอไม่ใช่ทางของพระผู้จการรัชสมิทำอะไรก็ให้มีปีจารยารัชศัพ์ญญ แ, แต่ว่าทําฝึกหัดนิสัยต้มีปัญญารอบตัวเองภายนอกภายในเวลานํามาใช้ภายในนี่มันก็รอบตัวสังสมจะติปัญญาสังสมกับปริยาการภายนอกทําอะไรก็ให้มีสติให้มีปัญญาพิปิจรญญารยาไปด้วยเวลาเข้ามาใช้ภายในยก็นี้แหละกริยาหง จิตที่แสดงออกไปเป็นสติปัญญานี่เลยจะนำเข้ามาใช้ภายในเจ้าเจือเด็กอยู่ภายในให้หมดไปได้โดยกำลับเพราะความฉลาดรอกครอบของตัวเองแสดงเป็นตนัวนี้นี่สินีษ